ในกรรมฐานเนาะแบบลวงพ่เทียนก็ก็จะดีตรงที่ว่าเรามีโอกาสมีโอกาสที่จะอาศัยความเคลื่อนไหวอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทั้งวันเนาะเย่นนั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเองก็ได้บอกถึงเหมือนกับว่าเราก็มีทั้งเรียกว่ามีอิริยาบถเนะยืนเดินนั่งนอนที่เราจะได้ คอยรู้สึกแล้วก็มีทั้งเรียกว่าสัมปชัญญะนั่นก็คือการที่เราเหมือนกับการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องต่างๆตร ง, งนี้นั่นนัก็คือตรงนี้ให้เราก็เหมือนกับคือเราจะนั่งเนาะก็รู้เนาะรู้ถึงการนั่งรู้ถึงอิริยาบถต่างๆตร ง, ง, งนี้ก็จะช่วยให้เหมือนกับว่าเราได้เก็บเก็บ เขาเรียกว่ารายละเอียดต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยมาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติธรรมซึ่งตรงนี้ก็จริงๆการหัดเนาะมันก็เป็นการที่เราเขาเรียกว่าหัดดูหัดดูก็คือหัดดูในขณะที่เราเหมือนกับว่าได้ลองใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยพอเราลองใช้อะสิ่งที่ตามมาก็คือ การลองดูผลที่เกิดขึ้นการลองดูผลที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็คือมั น, มนเหมือนกับถึงแม้เราจะทำเนาะเราจะเคลื่อนไหวมือเราก็ทำเพื่อดูเนาะเราเราก็อาศัยก็เรียกว่าการเหมือนกับลองดูทำดูทุกอย่างก็เพื่อให้เราได้เหมือนกับว่าได้หัดใช้ความรู้สึกตัวในการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตใจ ตรงนี้ก็มันก็จะเป็นเขาเรียกว่ามันก็เป็นการสะสมข้อมูลนะคืออย่างที่พระจันโนท่านนำทำเนี่ยท่านก็จะแนะนำอยู่ตลอดนะเรื่องของการที่เรา<ม>สิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ก็คือการความผ่อนคลายเนาะคือความตั้งใจเนี่ยมันก็ต้องมีนะเพราะว่าตรงนี้มันเหมือนกับเราเหมือนกับพอเวลาที่เราอยู่ในรูปแบบของการจงกรมก็ดี หรืออยู่ในรูปแบบของการสร้างจังหวะก็ดีเนะี่ยมันก็ต้องมีความตั้งใจที่เติมเข้าไปบ้างแต่ว่าตรงนั้นก็มันก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้ลองดูว่าเราทํำยังไงถึงจะทําในลักษณะที่เป็นความผ่อนคลายเพราะว่าความตั้งใจก็มีหลายระดับนะตั้งใจมากไปตั้งใจใ น, น้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ให้เราได้อาศัยความรู้สึกตัวสัมผัสสัมผัสลงไปพอเราสัมผัส ลงไปป๊บเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้เหมือนกับรู้นะโอ้อันนี้มันมากไปรู้นะว่าอันนี้มันน้อยไปพอรู้ว่ามากไปน้อยไปตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันก็จะกลับเข้ามาสูงเ้าเรียกว่าความพอเหมาะพอดีอย่างเงี้ยนั่นคือเราในเวลาที่เราใช้ชีวิตเนาะเราใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยบางทีเราก็เหมือนกับ ตั้งใจทํางานทั้งปีเพื่อให้ได้สองขั้นเนาะสมมุตินะอย่างเงี้ยเนาะมันก็เหนื่อยนะหนักนะเพราะมันเหมือนกับคล้ายๆว่าเราอาจจะต้องโอวยตั้งใจตั้งใจเยอะๆไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพื่อให้มันได้อะไรสักอย่างหนึ่งในตอนปลายปีแต่ว่าตรงนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการที่เราคอยที่จะเหมือนกับว่าคอยทําและดูทําและดูทําและ ด, ละดูคือมันมันจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ในทันทีทันใดทันทนีทันใดเนา ะ, ะนี่คือนี่คือก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมมันจะไม่เป็นสิ่งที่เราต้องหวังผลระยะยาวข้างหน้าจริงๆผลระยะยามก็ได้อยู่แล้วเพราะมันเป็นการสะสมแต่ว่าผลที่สําคัญก็คือตอนเนี้ปัจจุบันนี้ละเนาะอย่างเนี้ยนั่นนี่คือมันจะเป็นสิ่งที่มันจะไม่เกิดความเหนื่อยความหนักเนาะไม่ใช่ว่าต้องพยายามอดทนฝืนทนอะไรต่างๆแต่ว่านั่นคือตรงนี้ ก็ให้เราได้เหมือนกับพยายามแต่น้อยนะแล้วก็ให้การเคลื่อนไหวของเราเนะียมันเป็นการช่วยเนาะให้เกิดเราให้ให้เกิดการสังเกตเนาะว่ามันจะเป็นความผ่อนคลายได้ประมาณไหนเนาะยังไงที่ยังเหลืองว่าเรียกว่ามันยังอยู่บนความตั้งใจหรื อ, อยังไงที่มันเผลอไปหลงไปไหลไปกับความเพลิดเพลินอย่างนี้เนาะอย่นะ นี่ก็คือสิ่งที่ไม่ว่ามันจะเป็นการหลงไปมันก็จะทำให้เราได้รู้นะหรือว่าการที่มันพยายามมากไปก็ทำให้รู้พยายามพอเหมาะพอดีก็รู้นะอย่างเี้ยอันนั้นนี่คือไม่ว่าจะเป็นอะไรยังไงก็ตามก็เป็นเครื่องมือนะเพื่อให้เราเนี่ยได้หัดใช้ความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวก็เรียกว่ามันก็จะเป็นสิ่งที่อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามเราก็ใช้ พอใช้มันก็คล่องขึ้นคล่องขึ้นเราใช้ความรู้สึกตัวคล่องขึ้นเราก็จะได้พบพบเหมือนกับว่าก็เรียกว่าผลทางเนาะที่เหมาะสมเนาะพอพบผลทางที่เหมาะสมมันก็เกิดการเคลื่อนตัวเกิดการเคลื่อนตัวเกิดการเคลื่อนตัวแต่ถ้าเกิดว่าไม่พบผลทางที่เหมาะสมเนี่ยคือเราไม่ใช้ความรู้สึกตัวมันก็จะเกิดการติดขัดเนี่ยนั่นนี่คือตรงนี้ก็ให้พวกเราได้สังเกตเนาะทดลองทําและดู ทำและดูทำและดูะดอย่างเนี้ยนะการดูตรงเนี้ยมันก็จะเป็นการสะสมนะสะสมซึ่งก็เรียกว่าเป็นปัญญานะเพื่อให้เราได้มีข้อมูลที่จะเอามาใช้นะอันนี้เรียกมากไปอันนั้นเรียกน้อยไปในต่างๆตรงนี้แต่ว่าทั้งหมดนะมันก็จะเข้ามาสู่สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นความเหมาะสมเป็นความปกติหรือจะเป็นทางสายกลางก็ตาม ก็ให้พวกเราได้อาศัยเวลาตรงนี้ทั้งหมดเนาะทั้งหมดจนกระทั่งถึงสามมงครึ่งเนาะอย่างนั้นก็มาเจอกันก็เราจะอยู่ตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะขึ้นชั้นบนก็ได้เนาะแล้วก็คนใหม่เนาะถ้าเกิดว่าจะสอบถามพระอาจารย์โน้ตเนาะหรือว่าหลวงพ่อหรื อ, อ, รอรก็ได้ยังไงก็ได้ได้ตลอดเนาะอย่างนั้นก็นเชิญ